กินก็มาจะซีซ้วกินพักผ่อนหลับนอนไม่เป็นเวล่อเรองวลาดูแลสุขภาพร่างกายบริหารร่างกายหรืออะไรพวกนี้ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจเพราะอะไรเพรา ะ, ะเดี๋ยวก็ซื้อยาซื้ออะไรกินง่ายเพราะจะไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงคนทุกวันนี้จึงไม่แข็งแรงเหมือนคนสมัยก่อนเพราะคนสมัยก่อนเนี่ย ทำงานบางทีก็ได้บริหารร่างกายได้ออกกําลังใช่ไหมจะไปไหนทีมันทีเขเดินไปอย่างเงี้ยไอ้เดี๋ยนี้ก็ขึ้นรถเดินก็ไม่ค่อยจะเดินแล้วนะอะบาบงทีเดี๋ยวนี้เห็นไหมแค่เดินใต้ายรถเมล์รถเมลเม์เดียว่มันยังไม่เดินเลย <laughs> ยังต้องขึ้นรถเมล์เลยคิดดูเอาแล้วมันจะไปแข็งแรงได้ไงมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายบางทีแค่ อยู่ชั้นบนกับชั้นล่างทุกวันนี้เทเลคมอมมีกดปุ่มมีอะไรต่ออะไรนะไม่ต้องเดินขี้เกียจเดินด้วยถ้าจะว่ากันไปขี้เกียจเดินแหมเดินขึ้นเดินลงหน่อยโอ้ยเมื่อทำไมถึงเมื่อก็ใส่ส้นสูงอะะแต่ก่อนเขาไม่เมื่อยง่ายเพราะอะไรรองเท้าเขารองเท้าแบบรองเท้าแตะนะรองเทา้าติด ติดดินเนี่ยตรงเท้าส้นเตี้ยเขใส่เขาก็ไม่ค่อยเมื่อยส่วนเขาก็เดินก็ได้สบายไอเดี๋ยวนี้อย่าว่าจะเดินเลยแค่ยืนยังจะเมื่อยเลยเพราะว่ามันต้องเกรงใี่ไหมคุณคิดดูสิใส่ส้นสูงเนี่ยนี่พูดถึงผู้หญิงนะผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็ส้นย่อยเมื่อไเลยคุณไปดูรองเท้าผู้ชายนะเพราะฉะนั้นโอ้โหมันต้องยกยกส้นขึ้นอย่างเงี้ยคุณต้องเกรงตัวอยู่ตลอดเวลาเลยเกรงขาคุณจะไม่เมื่อยได้ไง มันมันจะเมื่อยในคนสบายกอดเนี่ยอ่าส่วนใหญ่รองเท้าก็ไม่ค่อยใส่อ่ะทุกวันนี้บางทีคนบ้านนอกเขาก็ยังไม่ค่อยใส่รองเท้าหรอกน ะ, ะบางทีก็ไปไหนมาไหนบางทียิ่งบริเวณบ้านยิ่งอะไรก็ไม่ใส่เขาก็เดินเท้าเปล่านะเพราะมันก็แข็งแรงอลยทีสุขภาพแข็งแรงจะไม่ต้องมาเรื่องของหยูกยาอะไรนี้มากเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะมักน้อยได้ ใช่ในเรื่องของยุกยาแล้วก็อะไรบางทีปลูกอั น, นั้นปลูกอั น, นี่ไว้ใช่ไหมหรือแม้ไม่ได้ปลูกเนี่ยเห็นไอ้โดนเห็นไอ้นี่สมัยก่อนเขาค่อนข้างจะศึกษาแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับพวกสมุนไพรเรื่องอะไรพวกนี้ว่าบางทีเจ็บต่วยไอ้โน้ไอ้นี่มาเขาก็ไปเด็ดไอ้โน้มาตําเด็ดไอ้โน้มาอ่ามาอะไรอะ่ะมาเป็นสมุนไพรมาต้มบ้างมากินบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเขาก็หายแล้ว เขาไม่ต้องไปซื้อโยกซื้อยาอะไรตามล้านตามอะไรเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเขาก็มักน้อยได้ใช่ไหมเขาก็สันโดษได้วันสี่อย่าง น, น, นี้นี่แค่พูดถึงเรื่องปัจใจสี่เท่านั้นยิ่งถ้าเป็นพระเนี่ยปัจใจสี่ตัวที่สี่นี่ยานี่พุทธเจ้าท่านให้ใช้เลยเลยเออถ้าเป็นพระนี่ท่านให้ใช้เป็นนิสัยเลยนะให้ฝึกเป็นนิสัยเลยว่อาอ้าวใช้ ยาดองน้ำมูกเน่าพวกเราก็ไม่ต้องดองเดิงแล้วก็สดๆกันเลยนะเออสดๆเลยแล้วก็หายกันมาเยอะแล้วไม่รู้ตั้งกี่ลายต่อกี่ลายแล้วอืมนอกจากว่าจะเป็นโลกหนักอะไรเท่านั้นเองนะถ้าโดยทั่วไปธรรมดาเนี่ยใช้สูตรยาของพพุทธเจ้านี่ก็ ายาธรรมชาติเราผลิตเองเพราะอย่างนั้นแล้วก็เรียบร้อยก็รักษาได้แล้วเนี่ยเนี่ยก็มักน้อยแล้วยิ่งถ้ากินน้ําปัสสาวะนี้ด้วยก็โอ้โหมันฝึกหลายอย่างนะมันไม่ใช่แค่ลดละแค่นี้นะโอ้โหฝึกทั้งเรื่องกิเลสตัวติดสวยติดงามกิเลสตัวรังเกียจใช่ไหมตัวรู้สึกโอ้ขยะขย้งอะไรพวกนี้โอ้โหได้ฝึกลดอะไรหลายๆตัวเลยทีเดียว อันเนี้ยมันแก้เรื่องของการติดแป้นเพราะฉนั้นก็จะทําให้คนเราเนี้ยได้ฝึกปรือแล้วก็ทําให้ความติดสบายติดแป้นเนี้ยของเราเนี้ยมันก็จะอะไรอ่ะจะเลิกลงมาได้แต่ในที่นี้ถามว่าเออเราจะตรวจสอบยังไงถึงจะรู้ว่าเราติดแป้นไหมไม่ยากหรอกคุณฝึกลดดูอ่ะคุณฝึกลด อย่างไหนที่คุณคุณไม่รู้แล้วว่าคุณติดแป้นไหมแต่คุณลองลดดูคุณลองมากน้อยในถิงนั้นดูแล้วคุณจะรู้ว่าติดแป้นไหมถ้าเรื่องไหนเนี่ยติดแปน้นอาการจะเป็นยังไงพอเราลองลดแล้วอาการจะเป็นยงไงโอ้โหจะดิน้นกูคักกูคักให้คุณเห็นเลยล่ะ <c oughs> คุณจะเห็นชัดเลยอย่างเสื้อผ้าเนี่ยเออเราไม่รู้นะเราเราติดแป้นหรือเปล่าคือคือเราเคยใช้ปกติเนี่ยเราเคยใช้อยู่ อไม่ว่าจะชุดอะไรก็แล้วแต่นะชุดนอนชุดนั่งเล่นชุดเดินไปเที่ยวชุดเข้าห้องน้ําชุดอะไรก็แล้วแต่คุณนะสมมติว่าคุณใช้อยู่สิบชุดเอาแต่คุณไม่รู้ว่าว่าสิบชุดคุงใช้เนี่ยมันติดแป้นหรือเปล่าเอาก็บอกแล้วไม่ยากคุณลองลดดูสิลองเหลือสักแปดดูสิอาถ้าคุณเหลือเหลือสักแปดจากสิบนะคุณเหลือแปดเอ๊ะเฉยเฉยไม่เห็นมีผลอะไรเลยเอา่า ใช่ไหมเอาลองลดดู อ, อีกลดเหลือสักจากจากแปดลดเหลืออา้าวเหลือสักหกสิเออเป็นยังไงยังเฉยเฉยอยู่ไหมเออยังลดได้อีกไหมถ้าลองยอดได้อีกคุณยังลดอีกจนถึงที่คุณชักจะดิน้นชัดที่เรียกว่ารู้สึกว่าโอ้โหมไม่ไหวแล้วมันฝืนเกินไปมันลําบากเกินไปมันมีอุปสรรคปัญหาเลยหมดเลยคุณถึงจะรู้แล้วว่าเอออันนี้มันชักจะน้อยเกินไปละมั้ง คุณจะรู้เองเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะรู้ว่าจุดไหนที่ทเกินความพอดีไปเดี๋ยวคุณจะรู้ของตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นบอกเลยแต่คุณอยากจะรู้ว่าติดแป้นไหมคุณลองลดลงมาไม่มีทางอื่นเลยตอนนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะเพราะันวิธีทดสอบคือลองมักน้อยลองสันโดดให้มากขึ้น นะจะจะสำรวจความติดแป้นได้แล้วตอนนี้เขียนตามมาว่าจะมีอุบายหรือเทคนิคอย่างไรที่จะพัฒนาศีลของตนเองให้ยิ่งขึ้นนั้นในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าว่าเราสมว่าเราถือศีลห้าได้เนี่ยนะเอ้แล้วจนกระทั่งเรียกว่าเอ้เราติดแป้นอยู่ที่ศีลห้าหรือเปล่าอาจจะมาบอกแล้วพิสูจน์ได้ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณเนี่ย ติดแป้นอยู่ที่ศีลห้าไหมศีลห้ามีอะไรบ้างอะนะศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าใช่ไหมเราว่าเราทําได้แล้วนี่ยเพราคราวนี้ถ้าจะพิสูจน์ว่าเอ้เรายังจะติดไหมคราวนี้ก็คือคุณลองเพิ่มตะบะลองเพิ่มตะบะดูเพิ่มเป็นอธิศีลจากศีลห้าเนี่ยคุณลองเพิ่มเป็นอธิศีลหรือคุณจะลองเพิ่มเป็นศีลข้อหข้อเจ็ดข้อแปดก็ได้ าจากสีท่าคุณจะลองเพิ่มเป็นสีแปดยู่ก็ได้สีแปดจะตรวจสอบคุณเองว่าคุณติดแป้นอยู่ไหมหรือในศีท่าเนี่ยคุณลองเพิ่มอาิศีลดูเพราะว่าพอเราเพิ่มเนี่ยนะมันจะลําบากขึ้นพอลําบากขึ้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไม่เอามาลําบากเรายังไม่ไม่อยากเพิ่ ม, มเราอยู่แค่เท่าเก่าดีเราสบายดีอยู่แล้วเรามีความสุขอยู่แล้ว เพราะนั้นเราก็ไม่ยอมลำบากเพิ่มขึ้นเราจะเอาสุขสบายอยู่เหมือนเดิมอย่างเช่นบางคนนี่กินจุกจิบได้สบายใช่ไหมไม่เอ า, าจุกจบมันมันเหลวแหลกเกินไปเอาว่ากินมาเหลือสักสองมือสมมตินะคนนี้กินเหลือสองมือละกินจนกระทั่งกินสองมือได้สบายมากแล้วนะมีความสุขไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องฝืนอะไรแล้ว เสร็จแล้วอันนี้อยากจะรู้ว่าเออเราเราติดแป้นไหมในสองมือนี้ก็เลยให้คนให้คนนี้ทดลองโดยแบบว่าเออลองที่เอาแล้วไม่ต้องลดถึงจากสองมือเนี่ยไม่ต้องลดหรือมือเหลือมือเดียวอ่ะเอาเหลือแค่มือครึ่งก่อนก็ได้เอาเหลือแค่มือครึ่งก่อนดูซิเหลือแค่มือครึ่งหมายถึงว่าปกติเนี่ยเขาอาจจะกินมื้อเช้าใช่ไหมมื้อนึงขบเคี้ยวเนี่ยมื้อเช้ามื้อนึง เย็นอีกขบเคี้ยวอีกมื้อหนึ่งเป็นสองมื้อใช่ไหมแต่นี่ลองลดเหลือมื้อครึ่งก็คืออ้าวสมมุติว่าเช้าเนี่ยกินปกติเสร็จแล้วพอตกเย็นแทนที่จะกินของขบเคี้ยวเนี่ยไม่กินของขบเคี้ยวมื้อเย็นนี่กินแค่น้ำน้ำพอกินแค่น้ําน้ําอีกมื้อหนึ่งกินแค่เครื่องดื่มกินแค่เครื่องชงอะไรต่างๆเนี่ยมื้อหนึ่งนะอย่างเงี้ยเรียกว่ามื้อครึ่งอ้าวแล้วดูซิ โอ้ oh, ถ้ากินเหลือแค่มือครึ่งอยู่นะปาบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, ชักไม่มีความสุขเลยไม่สบายอกไม่สบายใจเลยรู้สึกปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เกิดขึ้นหนาวหนาวร้อนๆ น, นะไม่อยากแล้วไม่อยากแล้วอยากจะกลับไปกินสองมือเหมือนเดิมแล้วอันนี้แหละคุณจะรู้แล้วว่าอ่าเนี่ยแสดงว่าเราอยู่สบายแบบสองมือเหมือนเก่านี่เนี่ยเราติดแป้นแล้ว เพราะว่าพอเพิ่มมาแค่มื้อครึ่งทั้งๆ ท, ท, ที่โดยปกติธรรมดาแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะอาหารที่กินไปตั้งแต่มื้อหนึ่งนั่นยังมีเหลืออยู่เลยและยิ่งกินพวกวิตามินเกลือแร่เนี่เข้าไปแล้วปรากฏว่าโอ้โหกินแค่เนี้ยจริงๆมันกินเข้าไปนี่คุณไม่ขาดทานอาหารแน่นอนรับรองว่าเหลือเฟือรับรองว่าไม่หิวที่จริงแล้วไม่หิวนะ แต่อุปทานที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่มันไม่ยอมเพราะมันไม่สุกเหมือนเก่ามันไม่ได้ขบเคี้ยวหนุบเคี้ยวนับนะมันไม่ได้โอ้โหกืนลงไปแต่เกลือแร่มันมีอยู่แล้วนะเพราะผมกินแม่น้ำน้าเนี่ยเป็นเครื่องดื่มเครื่องชงนี่มีรองท้องคุนไรแน่นอนรับรองไม่หิวด้วยแต่เราต้องรู้สึกเป็นอุปทานว่าต้องเคี้ยวที่แน่ต้องได้อะไรอะได้ รู้สึกมันเหมือนกับได้ได้กืนอะไรอะแบบเป็นก้อนๆเป็นอะไรลงไปอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เป็นน้ำกรอก ๆ, ๆลงไปแค่นี้โอ้โหเหมือนไมไ่กินอะไรอะเพราะฉะนั้นมันมันเริ่มความรู้สึกเนี่ยมันไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นมันก็อยากจะกลับไปกินเหมือนเดิมอย่างเงี้ยให้คุณรู้ว่าเนี่ยคุณติดแป้นของนั้นแหละทั้งทั้งที่คุณทำมันนั้นได้ได้มาสบายแล้วได้มาช้านานแล้วคุณคุณเรียกว่าคุณไม่ต้องไม่ต้องทุกข์ ไม่ต้องเกรงไม่ต้องอะไรแล้วนี่เพราะฉะนั้นแล้วให้รู้ตัวว่าเออเราติดแปนแ้นละเพราะฉะนั้นจริงๆรแล้วควรจะฝึกเพิ่มฐานขึ้นมาแล้วก็ล้างอุปท า, านที่จะกลัวความลำบากกลัวความทุกข์ยากที่เราจะต้องเจอเพราะ ถ, าถ้าคุณทำขึ้นมาได้อีกเนี่ยคุณจะไม่ติดอยู่ที่แป้นเดิมคุณถึงจะเพิ่มเป็นอธิศีลเพิ่มเป็นดับะขึ้นมาได้หรือเพิ่มเป็นศีลจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดขึ้นมาได้ เพราะนั้นมันจะต้องทำอย่างนี้แหะคุณถึงจะเพิ่มศีลขึ้นมาได้ศีลเนี่ยถ้าคุณทำอะไรได้จริงแล้วศีไม่มีตกหลน่นลงไปอีกถ้าคุณทำได้ถาวรแล้วไม่มีตกหลน่นลงไปอีกนอกจากคนที่ยังทำศีนั้นได้ชั่วคราวนะยังไม่ได้ถาวรจริงเพราะนั้นคนนั้นยังขึ้น ค, น ค, นคนล ง, ลงเพราะนั้นอันนี้คนนั้นยังไม่ใช่เรียกว่าติดแป้นอะไร คนนั้นยังไม่ได้แป้นเลยเพียงแต่หลงคิดว่าที่ตัวเองทําได้เคลือคราวคิดว่าตัวเองได้แป้นแล้วยังจริงๆยังไม่ได้ขึ้นไปยืนเหยียบบนแป้นได้มั่นคงเลยแป้นนี้พร้อมจะหักแป้นนี้พร้อมที่จะอะไรอะลื่นถลายหล่นจากแป้นก็ได้เพราะฉะนัยังอันนั้นยังไม่ถือว่าติดแป้นนะอันนั้นยังยืนไม่ค่อยติดด้วยซ้ํำไปนะอ่ะอันนี้คําถามนี้ น่าหวังว่าคงจะพอเข้าใจได้เพรา ะ, ะีลที่เราเนี่ยจะเพิ่มจะพัฒนาภูมิของเรายิ่งขึ้นก็คือบอกแล้วอย่า ก, กลัวควลําบากอย่าติดสบายคาว่าติดแป้นนี้ไม่มีอื่นหรอกก็คือติดสบายกลัวลาบากเพราะนั้นคุณลองเพิ่มเข้าไปปับ๊บคุณรู้แหละว่าจะติดแป้นหรือไม่ติดแป้นง่ายมาก เศรษีอีกใบหนึ่งถามว่าจุดแยกเส้นแบ่งที่จะตรวจสอบตนเองระหว่างสัจจะย้อนสภาพโอ้โหนะอันนี้ก็คือปฏินิสขะนะกับการเข้าข้างกิเลสตัวเองคืออะไรและอย่างไรเช่นถ้ายังทำงานในทางโลกอยู่และต้องไปงานเลี้ยงจะใช้เสื้อผ้าที่โน้มมาทางเครื่องแบบอโศกผ้าถุง เสื้อผ้ายแบบเเรียบๆหรือใช้เสื้อผ้าแบบวาระพิเศษเช่นผ้าไหมควรปฏิบัติแบบไหนและจะตรวจเช็คใจตนเองอย่างไรจริงๆคล้ายกันลนะแต่อันนี้เนี่ยเพิ่มตรงคำว่าสัจจะย้อนสภาพคืออาตมาบอกแล้วถ้าคุณได้แป้นแล้วหมายถึงคุณทาได้แล้ว คุณทำได้จนกระทั่งจริงๆอาตมาบอกแล้วว่าไม่ไม่มีเลื่อนลงมาอีกแล้วนะถ้าคุณได้อย่างแน่นอนถาวรแล้วคุณไม่มีการเลื่อนลงเพราะในคราวนี้เนี่ยที่เราเนี่ยจะย้อนกลับไปไป อ, อ, อะไรอะ่ะใช้เหมือนของเดิมเนี่ยคราวนี้เป็นเรื่องของปฏินีสขะนะหรือเนี่ยสัจจะย้อนสภาพนี่อย่างเช่นเราเคยใส่เสื้อผ้าสวยๆงามงาม ที่จำเป็นจะต้องใช้ในงานอย่างนั้นอย่างนี้เรานี่มาใส่เสื้อผ้าแบบเรียบเรียบง่ายๆสมมุติเป็นผู้หญิงเป็นหม้อห้อมเป็นผ้าถุงอะไรอย่างนี้ใส่ได้สบายละนะไม่ไปติดหลงไหลในเสื้อสวยๆงามๆอะไรแบบโลกๆแล้วแต่มีความจําเป็นเมื่อจะต้องไปงานนี้แล้งงานนี้สมมุติว่าเขาบังคับมาเลยถ้าคุณไม่ไม่ใส่แบบนี้นะแล้วคุณไม่ใส่รองเท้าไปเขาไม่ให้คุณเข้า เพราะอย่างเงี้ยคุณก็เลยเอาละจาเป็นงานนี้เราต้องไปเพราะั้นคนนี้ก็เลยต้องใส่โดยที่คนนั้นไม่ได้ติดอกติดใจอะไรแต่จาเป็นต้องใส่ตุ้งผมแบบนี้เพื่อที่จะไปในงานนั้นเพื่อประโยชน์ของคนอื่นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเราแล้วก็ไม่ใช่เพราะความติดของตัวเราเพราะฉะนั้นคนนี้ต้องตรวจตัวเองพอใส่ไปปับแหมพอเดินไปปั๊บ แหมคนนั้นมาชมหรือว่าคนนั้นเราเห็นคนทั้งคนนี้แต่งเนี่ยคุณตรวจจิตตัวเองสิว่าว่าโอ้โหเรายังยินดีเรายังชอบเรายังพอใจหรือแม่แต่บางทีเห็นคนอื่นก็ใส่เรายังโอ้โหใจฟูฟูฟู ฟ, ฟ, ฟูชนิดที่เรียกว่าออืืหของมันขึ้นเนี่ยของในใจเรามันขึ้นคุณรู้สึกอย่างนั้นไหมล่ะไม่มีใครตอบคุณได้นะอันนี้ต้องรู้ได้โดยด้วยตัวเอง เันคุจะเห็นเลยว่าโอ้โหโเราเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างนี้ชัดเลยเรายังมีอยู่ถ้าเป็นนักปฏิบัติในสายพุทธจริงๆแล้วจะต้องรู้วันนี้เราอาจจะโกหกคนอื่นได้แต่เราโกหกตัวเองไม่ได้เพราะการปฏิบัติธรรมอย่างสายพุทธเนี่ยพูดง่ายๆนะจะจับโกหกตัวเองตลอดก็คือจับกิเลสเราตลอดนั่นเอง วันเมื่อใครที่ฝึกจับกิเลส ต, ตัวเองมาตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดเงี้ยนะอย่างเช่นคุณกินไอ้นี่อ่าไอ้นี่ผิดศีลนะไอ้นี่ไม่ดีนะไม่ควรนะคุณก็ไม่กินถ้าคุณแพ้มันคุณไปกินมันคุณก็รู้ว่าโอ้โหนี่แพ้แล้วใช่ไหมหลอกค็ อ, อื่นได้เอ้ยละเมอละเมอ<笑><笑>เออหลอกก็ อ, อื่นแล้วได้แต่หลอกเราไม่ได้รเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ละเมอ บางคนละเมอมาตอนคืนมาเข้าครัวกินใหญ่หนุบหนับหุบนับแล้วก็ไปนอนต่อถ้าละเมอจริงๆอะ่ะคุณก็จะคุณก็ไม่รู้เรื่องจริงๆใช่ไหมแต่นี่มันไม่ใช่นี่มันรู้ตัวรู้ตัวอยู่ปฏิบัติธรรมนี่รู้ตัวทั่วพร้อมเพราะนั้นจะโกหกตัวเองไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นคุณจะรู้เลยว่านี่เป็นสัจจะย้อนสภาพหรือนี่คือกิเลสเราตัวเองจะเป็นคนให้คาตอบตัวเอง นะเศษละยิ่งเนี่ยถ้าเราใส่ชุดอะไรต่ออะไรไปเนี่ยไปงานเขาเนี่อาตมาบอกคุณได้เลยเชิญคุณถ้าคุณไม่มีนะจิตคุณเนี่ยมันสบายมาแล้วคุณหลุดพ้นมาแล้วบอกให้คุณรู้ด้วยที่คุณใส่ไปนะคุณเป็นทุกข์ด้วยนะไม่ใช่เป็นสุขเลยนะกล้ากล้ายืนยันกล้ารับรองคุณเลยว่าจริงๆแล้วเพราะว่ามันทําไปด้วยใจไม่อยากทำอะ แต่ว่ามันเพื่อประโยชน์ท่านหรือว่าเพื่อเหตุการณ์เพื่อผู้ใหญ่หรือว่าเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะมันทําให้เราต้องทำํำพูดง่ายว่าคุณต้องฝืนใจทํำนะคุณจะไม่พบกับความสุขเลยที่คุณทําอย่างนั้นแต่พบแต่ความจำนนพบแต่ความจำยอมโอโ้โหพบแต่พบแต่ความจําเป็นที่ทําให้ต้องทํา แ ล, แล้วคุณจะเห็นถึงความยุ่งยากถึงความลำบากโอ้โหต้องไปหามายังต้องมาเลือกมามาใช้จะต้องมาอะไรมันอีกบอกตรงๆเลยถึงบอกว่าโอ้ยโกหกตัวเองไม่ได้หรอกแล้วอันนี้มันจะที่ให้คุณเห็นชัดเลยว่าไม่อยากจะต้องไปใส่ชุดอย่างนั้นไม่อยากจะต้องออไปเคยทำอะไรที่เคยทำมาทั้งๆงที่เราหลุดพ้นมาแล้วคุณจะั้งเสียดาย คุณจะทั้งรู้สึกว่าบางทีเนี่ยแหมมันจะเสียสีนเรานะคุณจะไม่ยอมทำํำซ้ําบางอย่างเนี่ยจ่มากยิ่งถ้ามันไม่ถึงคอขาดบาดตายอะไรคุณไม่ยอมทําเลยเพราะคุณไม่อยากเสียสีนของของคุณเองแต่ที่ทำไปเนี่ยมันเพื่อคนอื่นจริงๆเลยถึงได้ยอมทําให้เขาเพราะถึงบอกว่าตัวสอบไม่ยากหรอกแต่ถ้าใ ห, ให้ให้ให้คุณระวังเลยนะ ถ้าคุณทําไปแล้วแหมรู้สึกปเปิดเพลินดีแล้วกันแหมใส่ชุดนี้แล้วก็แหมรู้สึกเอเดินตัวเบาเลยนะเอรู้สึกว่ามันสบายกว่าใส่แมอฮอมเอาอะไรให้คุณระวังเถอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันพอจะรู้ได้เหมือนกันนะว่าเอ๊แสดงว่าเชื่อเก่ายังพอหลงเหลืออยู่เมืงเพราะใส่ชุดแบบนี้แล้วรู้สึกมันยินดีพอใจอยู่ในแม้มันจะแผ่วๆก็ตามคุณจะจับได้ ซึ่งอันเนี้ยอัตมาถึงบอกถ้าคุณปฏิบัติสายที่สายโศกเนี่ยที่พ่อท่านพาธรรมมารับรองเลยไม่มีทางโกหกโกหกไม่ได้จริงๆไม่มีทางแล้วคุณจะรู้สึกด้วยนะบอกให้รู้โอ้โหรู้สึกอยู่ภายในเนี่ยคุณจะปากแข็งยังไงก็ตามบางทีบางคนมาถามคุณนะคุณอาจจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาฟังนะแต่ลึกๆของคุณเองคุณรู้อยู่ แม้ว่าบางทีเนี่ยคุณรู้แล้วคุณพยายามจะกบเกลือนมันนะมีเหมือนกันเรารู้เนี่ยแต่เราพยายามจะกบเกื่อนมันไม่ไม่ไม่ให้ไอ้อความจริงที่เรารู้สึกอยู่เนี่ยมันขึ้นมาคุณจะพยายามกบมันพยายามกบมันแต่คุณกบยังไงก็ตามเรื่องของเรามันรู้อยู่ว่าเฮ้ยนี่ น, นี่ไม่ใช่สัจจะย้อนสภาพแล้วนี่เรากำลังจะเสพแสดงว่าเรายังมีเชื่อของกิเลสพวกนี้เหลืออยู่จริงเราทาดีได้ขนาดนี้แล้ว แต่ยังเหลือเชือกเหล่พวกนี้เพราะนั้นเรายังถึงได้มีความรู้สึกพวกนี้อยู่เพราะแค่ฐานโสดาบันเนี่ยถ้าคุณทําได้ถาวรคุณได้ทําได้ชัดเจนแล้วก็จะไม่มีการตกต่ําอีกเป็นธรรมดา <c oughs> คุณจะไม่มีกลับไปต่ํากว่าฐานโสดาบันอีกแล้วไม่มีทางเลยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะถ้าคุณยังตกต่ําลงไปได้อีกคุณยั่ง คุณยังไม่ได้ฐานโสดาบันจริงคุณอาจจะกำลังเริ่มเริ่มเริ่มก้าวสู่ฐานของโสดาบันแต่คุณยังบอกล่ายังยืนอยู่บนแป้นของฐานโสดาบันยังไม่ได้มัน่นคงคุณยังไม่ได้ถาวรเพราะนั้นถ้าอย่างงี้คุณเลื่อนเลื่นได้ถลายได้หกล้มตกแป้นได้แต่ถ้าคุณทำได้จริงแล้วไม่มีตำมนีแล้วถ้าคุณจะ เลื่อนมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือเลื่อนขึ้นไม่มีเลื่อนลงเพราะถ้าคุณจะเลื่อนลงเนี่ยนะคุณจะเจ็บปวดคุณจะมีเฮริคุณจะมีความละอายเกิดขึ้นทําให้มันไม่ยอมเลื่อนลงเพราะมันละอายเกินกว่าที่จะเลื่อนลงไปได้มันจะกลัวบาปมันจะกลัวภยัยกลัวเวรที่จะตามมาเพราะฉะนั้นจะไม่ยอมจะไม่ยอมให้ให้ไปพลาดเพราะว่า มันจะทุกข์และทุกข์ยิ่งกว่าธรรมดาคนธรรมดาที่ไม่ถือศีลไม่ปฏิบัติธรรมด้วยกูจะทุกข์ยิ่งกว่าเพราะกูจะเจ็บปวดมากเลยโอ้โหมันเหมือนกับคุณได้สวรรค์คุณได้ดิบได้ดีเหมือนกับคุณได้ได้ขุมสมบัติมหาศาลแล้วคุณต้องสูญเสียไปในชั่วพริบตาเนี่ยใครจะไปยอมมันจะไม่ยอมเลยนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่า ยังไงไม่ยอมตกต่ำลงไปอีกนะ่าถ้าคุณได้อย่างถาวรแล้วอืมนะ้าเอา ก, ก็พยายามนะไม่รู้นะคนถามมาจะได้รับคำตอบเป็นที่พอใจไหมนะก็ลองไปช่วยนึกต่อเองก็แล้วกัน <c oughs> วันนี้คงพอเท่านี้นะ